ก็สุดท้ายก็เลยอยู่วิศวะดูยังฟงตำแหน่งแน่นว่างคดีทีเงี้ยเขาเลย้างอยู่อีตนนี้ไม่ได้จบไอียเปอ่าอาจารย์เราเป็นอย่างผู้ตัดมตินี่ครับซื้อรถยนต์็เหมือนกันทำงานจะซื้อคันไหนคุณใช้การตัดสินใจไงซื้อรถยนต์เนี่ยคุณทําีแล้วีคุณก็เลือกยีห้อไหนนะซื้อจากเซีย รู้ว่าใช่ไหมเออพอตูนา่ า, าูเล่เได้ไไดีกว่ามากอ่าหลอกเล่นากนเนี่ยก็เลือกแบบนี้ก็ต้องเลือกเลย ใ, ใช้อย่าใช้อามรมณ์คิ้วลิงถ้านางเงี้ยงง้ของเราก็จะไหมครับสวยสวยอีวอก e ผาถามนี่ผมขอผมสื้อแวจะทำอะไรใช่ไหมครับ ต้องแข็งแรงใช่ไหมอัพตัวเซลล์ดีช่วงล่างนุ่มเจ๋งจนขายต่อไม่ต้องคิดเพราะผมใช้รถไม่เคยขายต่อกูใช้จนกระทั่งเลยจุดฟุ้งผุนแล้วไปโยนใารใครไปคนหนึ่งการใช้รถมาณ10ปี12ปีเพราะกูเป็นคนสอน TPM เองกูก็ ด, ดูแลรถกูกอย่างดี SM5 แช่ไหมใช่ป่ะกูเป็นอยู่แล้ว12ปีรถกูไม่งขายดป่า เนี่ยเราดูแล้วดูยุทธศาสตร์ดูเต่างเรื่จากการเล่สเตทแม่ก้อนแม่ประกอบชายร้านห้าเราเป็นรแม่ที่แม่ประกอบมิสูแม่กลังใกล้เจงทูนมีในรงการที่มันจะปรับปรับโฉมทั้งยิ่งใหญ่ถ้าคราวนี้ิสูปรับโฉมไม่ได้แม่เจงในนั้นสเปซแฉก่อนแม่ไม่น่าพลาดคาริแม่พลาไม่ได้พลาดคาริม่สูถึงตายซึ่งแม่แต่ข้อเสียมิสูคือราคาแม่ตกจะ่ดูแล้วดูไม่ขายอีกแล้ว อาจายร ย, น ย, นนยน ra, ์นี่ยิ่งสกววันง้อเลยเว้ยใช่ป่ะคุณนี้เป็นยังขอมาช่วยโต้ต้าชมาช่วยคนด้ด้วยห้ีปีแล้วนั่นรู้แล้วคุณรู้อะไรไ้หมนเลยสุดท้ายคุณซื้อิสูแต่แค่ไมนได้นีนลเ ล, ลยอีกห้าปีฟใหม่เออโจทย์แม่เปลี่ยนเลยม่เปลี่ยนตัววิชาดีเซชั่นสาคัญเลยครับการใจนีนจ่สำคัญมากนะเรียนรูนร้ดีเซชั่นคุณจะเป็นการเรียนรยน เลือกครูสำคัญมากในการเรียนเถอะเลือกคนที่จะคบถ้าคุณยังคบกับคนกลุ่มเดิมในชีวิตคุณไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็ขอแนะนำว่าคุณเปลี่ยนกลุ่มคบได้แล้วมันมีสูตรของความโชคดีคนโชคดีเป็นคนแบบไหนรู้ไหมคนโชคดีคือคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงอันนี้สมัยแลยนะมีการวิเคราะห์กันมากผู้หญิงบางคนทาไมหาผัวไม่ได้ หาเมียไม่ได้รู้ไหมเพราะอะไรีเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่มียุธศาสตรแม่งไว้ผมส่งมาหารพิชานาม <c oughs> เศกเปยแม่งก็ทรงเดิมกินร้านอาหารแม่งก็กินร้านเดิมอีอกเอก้ยแต่งตัวก็แต่งเหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วมีผัวได้ไง ถว่าแล้วมึงก็ไปแหล่งที่อะไรนะแหล่งที่กินเหล้าเมายามึงไม่ได้ผัว <promotions> er. ที่เหล้าเมายาผัวมึงเมื่อกี้กูเดือดวงการกินเหล้าเมายาอีกอ่อนอาจารย์หาหัวให้หญิงเยอะมากตอนนี้นะได้ดีๆไปแท้งใแต่ละคนนะครูเลือกให้คุณยายได้ที่ไหนรู้ไหมที่วัดไม่ใช่ในรอก้าน้อวัยไม่ใช่กระจายกูผิดแล้วที่วัดได้ที่วัด ก็คือข้อแม่พ่อแม่ฝ่ายชายลุงป้ายายๆของพี่วัดนะ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเข้าวัดมากกว่าผู้ชายทั้งวัดและผู้หญิงทั้งงานพป้าๆยายๆคนนี้เข้าวัดเขาเห็นพวกมึงเป็นผู้หญิงหน้าตาหน่ารักเข้ามาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เล็กแล้วไม่ได้อกาสเข้ามาด้วยเทายางแล้วมีคนอย่างครูเล็กคอมเมนต์ใช่ไหมนะเขากำลังเออนะยายก็มีหลานอยู่คนเนอะรักเทายายเป็นหน้าละไรที่ครต้องการเนายายเจ้า สมัยนี้ก็ต้องจับมึงไม่จับผู้หยิงอื่นไม่เอาไปชี้ป่ะผมมีลูกสาวทังสองวิธีการจับผู้ชายทุกอย่างเลยทำงี้ได้จับไม่ได้มึงไม่จับูเขาก็จับใช่ป่ะสมัยนี้พวกมึงไม่้อิไีหญิงหรอกเขาเลือกมึงแค่มึงเลือกเขาทำตัวน่ารักน่ารักให้เขาเลือกมึงก็จะได้คือเีดิโคต้กึ้ยอะไรมันใจเย็นไหนใครอยากพอะไรกันเด็อ้งไปส่งเลยอส่งเลย ตัวน่ารักนะรักเลยคุณรู้ไหมให้แข่งคอยมีค่าหัวผู้ชายอยู่อ่ะในช่างที่แข่งคอยอ่ะถ้าระดับอย่าใอย่างเงี้ยนะสองแสนห้าไอพวกมึงเนี่ยสองแสนไอ้พวกซีซีเนี่ยแสนกว่าคือถ้าจานหาได้เนี่ยผู้หญิงก็ให้จานสองแสนห้านี่ก็ค้ามในหน้าผู้หญิงแข่งคอยก็ไม่โง้อด้วย มันจะอยู่สลาอุรีจนมาเลาะพอกออกนันแน่ไงโอกาสเดียวที่เขาจะมาตัวคือใครครับได้ผัวเป็นชาวกูนเข้าใ้ไหมได้คู่กูเนี่ยซุนยิบขันได้แค่ยงสุดยอดการเรียนหนังสือคื อ, คอคไม่ต้องเรียนมากไปจับในชาติของพวกมึงพวกมึง เ, ง เ, เอามาเป็นหัวซะจอดแม่งเอาเปลี่ยนจริงป่ะไม่ชิดไงแต่ในชาตของพวกกบเนี่ยดีให้ได้แล้วกันมีดีมือมันไม่ไ้ไปเลูแต่เทในานู้นแค่แค่อเ ต้องนั่งคิดเคน้าหน่ยุทธิศาสตร์คนเปลี่ยนแปลงทำไโชคดีเสมอครับคุณเปลี่ยนร้านอาหารเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์บ่อยๆลองมย่าปนี้ไปมางานแรกเลยก็คือเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนก่อนกลุ่มเพื่อนเก่าๆมันอยู่กันมาตั้งหลายปีทั้งมึงทั้มันไม่มีอะไรดีเปลี่ยนได้ยัง ผมก็คนโง่เลยอาจารย์ครับอาจรย์พูดอย่างนั้นเทอะท์มากผเป็นคนรักเพื่อนอจารย์ทำไมต้องเออโอเคผมไม่ได้หมายให้คุณทิ้งเพื่อนแต่คุณมีเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าเก่าเข้าใจไหมครับไม่ต้องให้มึงทิ้งเพื่อนมึงเพิ่มขึ้นและจงไปเป็นคนโง่ที่สุดของกลุ่มใหม่ไปเป็นคนโง่สุดในกลุ่มใหม่ถ้าอยู่กลุ่มเดิมแล้วมึงฉลาดสุดมึงไปเป็นคนโง่ในกลุ่มใหม่พบเพื่อน เนเยถ้าให้เจ๋งก็รุ่นไหนครับรุ่นข้อดีที่สุดคุณเขาปกครองรุ่นข้อเขาคิดใหม่ทำใหม่นะลองดูวิธีคิดดูวิธีคิดลองปรับปรุงตัวเองปรับปรุงเลยนะวิธีเรียนรูน้ให้จะเร็วกว่าไหมครับสุดยอดคิดคือไม่นั่งคิดอาวเฮ้ยหาเคยเจอพนักงานาง่วงๆคนไหม เบเอร์สกงานไปพราั้อเอคิดเรื่องนี้นะ้สามวันแม่คิดไม่ออกเพราะแม่ที่อยู่คนเดียวพที่เสียไปถามแม่คิดเสร็จยังยังออกปรหลเลยจริงๆควรจะบอกคุณตั้งวันแรกแล้วใช่ไหมครับเพราะคุณแรกถามมูและเพื่อนมูหนีไไหนบะมูทาเพื่อนน่ถามเกิดอไมช่วยโลโลมันจุกวดแห่งหนึ่งนะ ลงมาจุขวดใส่พวกซื้อสานเนี่ยมันมีเครื่องจักรที่ต้องซ่อมเงินเยอะมากสุดยอดคิดคือไม่ต้องคิดก็ถ า, ถามนูลคันมูลมูลจบอะไรช่างคนประทุมวันใช่ไหมอ่ะหนังสือรุ่นมาพอกหนังสือรุ่นเพื่ออะไรครับเพื่ อ, พนอนพะีอ่อะเพื่อนพี่นะแม่อยู่โรงงานอย่างนี้ที่ไหนล้างพเอเจอว่าทำไมครับโครงการ ส่งสาวสวยในหนึ่งคอลนึ่งถ้าเสียงงุเพราะเดี๋ยวงมีอีเสียงหวานหน้าเท้าหน้าสตรีมโทรให้อธิบย่างไปหาใครนาครับไปหาเพื่อนนู่นนี่มาอะไรวะเดี๋ยวจะพูดนี่สอนทำไมอะแม่มาเล็กเชอร์งโมกมารถว่าอีกเฟ้ยเอ็งว่วงไว้เดี๋ยวมันยุ่งนี่ทาวีสินอันนี้เนือคือของแขกคอยเขาผมพาพวกเขาไปที่วัดนะเนี่ยเราก็บินเหินฟ้าจนเจ็ คุณซีเมนเห็นยัง TPI นะคุณฟุ้งเยแถวนี้ใช่ไหมึงึงแวกตรงนี้มาตันตันตันตันข้ามที่ราบสูงวิสานเห็นยังเห็นเงาไหมอิสานแม่เป็นเทเบิลแลนด์เป็นโต๊ะข้ามมาข้าอิสานมาตันัเห็นภูโค้งไหภูโค้งแอบภูโค้งชายภูม่ะนะตันตันตันช่องช่องเขาขาดเล่ชนแดนวิ่งออกไปทางนู้น ท้องที่จิตได้แล้วเครื่องก็ลงที่ขนเกนโคจีเลยพวกเขาขายปูนซีเมนคุณเชื่อไหมในช่างปูนกับพวกคุณเนี่ยเซลเฮดเนี่ยเฮดเซลเนี่ยแม่งบอกปูนไม่เป็นพวกมึงเนี่ยจบแม่งไปฟ้าเครื่องกลโยธาไอออนจับพู้มึงมาสร้างซ่อมกันก็ได้นะโอเคในช่างนะในช่างมไม่เคยบอกปูน เดือดร้อนถึงหลวงพ่อมานั่งสอนไห<ช>้เวรกรมหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยท่านอ่านหนังสือของผมนะผมเขียนหนังสือทํามมาไว้หลายเล่มคูณเคเห็นไหมบริหารงานบริหารใจท่านอ่านผมเสร็จท่านก็ไปบวชเป็นพระเลย f อ r e v e r เลยด้วยเสร็จแล้วไอ้พวกปูนเราไม่ก็เป็นโ ง, โ ง, โง่ๆเ้่าเสร์แล้วก็งงเอ๊ะ e, ทาไมหลวงพ่อองค์นี้รู้เรื่องปูลซีเมนเก่งกว่าพวกเขาเยอะเลยต่หลังไม่ได้ความรับ หลวงพ่อองคนี้ท่านจบปริญญาเอกทางด้านโยธาขยายทาง ไ, ไอออนสอนมึงได้แต่ว้าท่านก็ให้เงินไปสี่สิบหรือยี่สบล้านให้พ่อแม่แล้วก็มาบวชตลอดชีพนะถ้าผิดพาดประการใดท่านคงว่างสูอผ ม, มนะแล้วนะมาวม่วัโอเคนะแต่ผมยังไม่บวชเลยเคยบวแล้วก็พามาสร้างตรง น, นี้สร้างสร้างวัดสร้างกัน แล้วก็คณะของก็พาไปปลูกต้นไม้ไปซื้อต้นไม้ไปปลูกพี่วัด น, นี่พี่วัดก็มีการทำนู่นทํานี่กันเนยนะอะแยะในโครงการเนี่ยต้องพาเมียมาด้วยทำไมต้องพาเมียมาผัวเมียเรียนทามาถ้ามันไม่เรียนพร้อมกันเนี่ยหลังมันคุยกันไม่รู้เรื่องจะเป็นเทวดากับผีไม่อยู่บ้านเดียวกัน ันเมียมานีย่ยก็เชื่อว่าหลังๆเขอสอนไปสอนมาเมียแม่งรุ่งกว่ากลัวเยอะหินไทยแม่งอ <c oughs> เอาจริงกว่านะชายไทยส่วนใหญ่ะใจอ่อนสอนเสร็จกลับไปก็แดกเหล้าเข้ายัางอูสอนจะตายเอกพานปลูกเั็นไมย์ี่เมียจะถ่ายกอไผยให้ดูสมมุติว่าคุณเป็นหน่อม่ายหน่อยนี่ ทำไงคุณจะเริญเติบโตได้นึกว่าหน่ออื่นเขาขึ้นใหญ่ใหญ่หมดแล้วอขอยุทธศาสตร์ครับชีวิตเรียต้องเต็มไปด้วยยุทธศาสตร์จะใช้แผนไหนคุณเป็นหน่อไม้เล็กๆทําไมจะเบียดหน่อไม้อื่นอุปมาแดงรุ่นพี่คุณแม่เติบโตกันหมดแล้วมึงจะมาแทรกอยู่ตรงนี้ทําไงคุณจะเข้าได้ไงไ่ได้แยกไม่ปลูก ถูกมีเท่าไหายที่มีถูกไหมเนี่ยหรือโค่นมึงแม่งทิ้งมึงอยู่ต่อได้เน่ยนะคุณต้องคิดเน่ยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะสุดยอดคำตอบคุณไม่มีคำตอบมันอยู่ว่าคุณจะเผชิญปัญหาอะไรหลังจากนั้น่ยในโลกเนี่ยมันคือ choice ทุก choice มันมีปัญหามันจะไม่มี the best solution คุณีะตัดสินใจเลือกใครรไครเลือกทักษิณคุณก็ต้องเจอปัญหาที่ทักษิณจะก่อเอาไว้ ถูกถ้าคุณเลือกชวน้ก็คือคุณพร้อมที่เจอปัญหาที่ชวนจะก่อไว้เช่นกันคุณเลือกพักชาติไทยกับไอชูวิทคุณก็ต้เจอปัญหาที่ชาติไทยกับชูวิทจะน้องดําทําไว้เช่นกันเป็นวิธการดีสิช่นแล้วคุณจะเจอปัญหาอะไรถ้าคุณมีแฟนสามสี่คนไม่มีผู้หญิงคนไหนดีหรอกถ้าคุณเลือกอ e ีนี่คุณไม่เจอปัญหาอย่างอีนี่คุณพร้อมอย่าี่เจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมฮะเพียงอย่าไปหวังว่าจะไโซลูชัน ผมเป็นแฟนแมนยูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะนั้นรู้ว่าทีมจะชนะหรือไม่ชนะกูรู้กูต่อไปถมาจุดเนี่ากูรู้ว่ากูจะใหทีมอื่นถ้าุณไปเชียร์อาร์เซนอลกีนี่กูจืดไหมกูไปเชียร์เชลซีกูจะคกนาทีหน้าเดี๋ยวมึงก็เหนื่อยอิวูฟูนะมึงเคยฮิดเงยอยู่พักหนึ่งถ้ากูเป็นแฟนอิวูฟูจริงต้องทไมครับ ต่อแล้วดูวิธีแก้ปัญหาเขาจะแก้ยังไงทาไงจะขึ้นไปจากตำแหน่งที่สิในตารางใช่ไหมครับขึ้นไปห้าใช่ไหตอนน้ห้าหรือสี่แล้วทำไงไม่จะขึ้นคุณเชีย่พอชเพราะพกยุคภูแพ้นุ 5, แม่งเปลี่ยนทีมไอหมไ้หูแม่งหือนดามเสียมือมันก็สื่ อ, อย่างลี้ยวภูต่อไปให้แรงยาวปีเ้อปลี่ยนแม่งมันเดียวอย่ <c oughs> เพียนะนี่ก็สอนธรรมเนืั่งฟังกันมนันนี้กันอ่าเดี่ยวไปที่ป่าชา้าเห็นหนุมศพไห เนี่ยนี่หนุ่มศพกลางคืนนะจันก็พาไปสนุกสนุกเนยขายดูเนี่ยนี่นั่ย่เห็นนีอะไรน่ากลัวเลยพวกคุณไปกันเยอะแยะนะผมเน่ยอยู่คนเดียวแถวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนสึกเนี่ยเดินจงกลมอยู่แถวเนี้ยเนี่ยแมงภาษาแดดกันหมดวันนี้ก็พาไปสร้างวงสร้างวัดเนีที่วัดเนี่ยนะจันจะค้ำค่างแมง เน่ไอ้วันฝ่ายบุคคลใช่ไหมอีจอยสาวคอมพิวเตอร์แก่งคอยฮะมีผัวแล้วอันนี้มียเมียในช่างกคนหนึ่งจ๊อบไม่ได้เมียใครไม่รู้นเนะเออโอเคอันนี้ก็มีไปอย่างนี้มี่เอบผัวมาด้วยนะผัวอยู่ช่วงสองนึงอยู่อยู่บุญเบนใหญ่นึงเขาก็ม า, มาด้วยจะมานั่งฝุดการการฝึกบุื่องต้องมานี่กันนะโอเคนะแต่ก็พาไปดูที่วัด เสร็จแล้วก็ อ, อบางครั้งที่บริษัทก็ไปเยียนกันนอกสถานที่บางครั้งก็ไปที่เขื่อนป่าสักดิ์คือไปนอกสถานที่ึ้นบ่อยไหมนี่ไม่เกี่ยวนะนี่แมวงพาไปพาไปดูเขื่อนในคาบเมดิการางานโอขอบนี่อย่างานโอขอบบ้พวกคุณทำไว้ยฮง คุณออกไปเจอชุมชนใช่เป่าแล้วคุณก็เอาผลิตของปนทิเมนตาเสือตาช้างไปช่วยชาวบ้านก็สร้างสินค้าก็คุณเลยก็ออกไปอย่าหมกมุ่นอยู่ในโรงงานไม่ไงเราออกไปเจอคัสเตอร์ไปฟังฟีดแบ็กจากคัสเตอร์ไปเข้าใจหัว อ, อกเซลแมนแม่ขายของแม่ ไ, ไม่แย่คู่มืงคิดนะมึงเข้าใจไหมผลิตของหูวงหวยอยูไ่ได้เพื่อนม่ะมึงไปเจอลูกค้าด่าบ้าง่า่ได้เข้าใจชีวิตกันหน่อยใช่ไหมมาออกไปนิดนึง และนี่เป็นผลงานของพวกเราก็คือแต่กว่าจะได้โอ้งลี้มานะตอนแรกกระจกอยู่ข้างในต่อมาก็กระจกอยู่ข้างนอกมีกี่หลายเวอร์ชั่นเนี่ยปลาตายหาทั้งแปลงนี้เลยก็มีก็จะยังไม่ควคน้ำปูนกลับตายมีก็สองผิดถูกกันไปครับประเด็นอยู่ที่ท็อกเมเนจเมนต์จะต้องใช้ปิยาวาจาจอดไว้เลยนะปิยาวาจาเนี่ยคุณไม่มีนีน่ตาย ตีเาอฟังใดีนะในแต่ละทีมของฟุตบอลเนี่ยมันจะมีตัวเจ๋งๆอย่างเตัว motivator หรือพิญญาวาจาอยู่ทุกทีมแมนยูเนี่ยคือรอยคีนถ้ารอยคีนลงเนี่ได้ประตูประมาณบครึ่งลูกกระแทงอครึ่งลูกโทเวสบาลงอ่ะลบครึ่งลูกเช่นกันไห <laughs> <laughs> ถ้าเราลงกับคีนเะนี่ยโอเคปกติปก ต, ปกติกิ๊กลงก็ บ, บวกขึ้นลูกลิวคูเป็นใครใครคือตัวโมอเตอเบเตอร์เจอราราดวันไหนก็ทำเจอร์ราดไม่ลงก็แต้มออกนี่ผูนแพ้เจอรา์าดเนคนที่ทําให้ทั้งทีมคึกแต่นั้นวิธีแก้นลิวคูก็คือซื้อเจอร์ราดที่เร็วที่สุดปั่นหัวรวมกันต่อมาเชลซีใครคือมอเเบเตอร์ แรมพาดเทอร์รี่โคดแมคเลเล่กองการตัวตัดเด่นสำคัญมาก Arsenal, ic, yeah. iera, ley, Only. อาเซน่ลไข่ปติกะเบล่าเทอร์รี่องลี้ยังผู้เี้ยงเจมีแล้วพวกมือเงอไคร <c oughs> พวกมือเงาในห้องนี้ไขรใค ร, ใค ร, ใครแม่โรดิเวเตอร์ U ทีมกำลังตกต่ำให้แพ้ระบบแม่กำลังนุมเหลวใครแม่พูดพวกใครคุยคุณแม่คึกใ น, นรอบหนึ่งใครฟัเดีฮะแล้วมึงก็เลยแต่ก็เลยมึงก็กลายเป็นทีมตี๋เฮยแมงเข้าใจยังทีมฉันนำมีมอเตอร์เตอร์เยอะมากเยอะมากในเรื่องบางอาจารย์ใครสอยไทย สีศริโยไทยไทย mm hmm. มันมีทั้งหมดอะไรมีพวกโมอเตอร์เตอร์มีโมอเตอร์เตอร์ที่ทหารแม่งเห็นแล้วโ oh, อ yes ้เยสใช่ไหมทหารเห็นแล้วโ oh, อ yes ้เยสรอมตายแทนมันพวกคุณนั่นคือทหารบอกว่าแต่พอเห็นคนบางคนว่าโอ้เยสเลิก เราจิตหายเรามีโมโมเตอร์สงคัญงงงวยคุนี้แมงโอเคนะต่อมานี่ก็ทําในการทําวิธีต่างๆเลยนะเม่อจับผมไปปลุกกระดมมวลชนพนักงานบ่อยมากบางทีเราก็ใช้หลักการของไอ้คนขายประกันคุณจะคนขายประกันเไหมเทคนิคคนขายประกันทําไมมีคนโง่ๆหลายคนมาสมัครเป็นเซลลขายประกันแล้วออกไปหาประกันให้เราตลอด ทำไมคโง่ๆเหล่านี้แม่งยอมเสียเพื่อนตั้งรุ่นเพื่อขายประกันคุณเล่าผมทำํไทำไงทําไงผมก็เรียนแบบคนขายประกันตัวตัวอย่างเช่นคุณเอาสามล้อมาคนหนึ่งจากชีวิตยากจนของสามล้อคุณก็แม่งขึ้นเวทีแล้วก็บอกคนทั้ห้องว่าเมื่อก่อนผมเป็นสามล้อรายได้โน้มมากเจ็บมาขายประกันกับไทยเทคเซลยจดขายผมตอนนี้เงินเดือนประมาณแสนเจ็ด ไอคนที่เหลือตาลุกนะยโอ้เยสเลยสมัครเป็นเซลแมนกันหมดเลยหารู้ไม่ว่าวิธีสมัครเป็นเซลแมนต้องซื้อของกูก่อนเขาจะยัง่งนี่เงคนโง่เลยไม่เคยไปขายของพี่น้องมันใช่ไหมแงลูกค้าของกูไม่ใช่ลูกค้านะลูกค้ากูคือพวกมือไี่ขายของให้กูก็ลูกค้ า, ค ก, ากูกคุณโดนกูร้องในงานแรกนะแล้วหลักการ ท, ท, ที่ที่แข่งคอยก็เหมือนกันก็ไม่ไดระดับล่างนะก็คือก็ต้องเชิญใครมาครับ เชิอาจาร์มาเล่าให้ฟัก็ได้หนึ่งมีผมคนเดียวนมีหลายคนมากไปเชิญเนี่ยไอตัวเล่นพิซซ่าเนี่ยที่แบ่งปันพิซซ่าได้เชิญมาเชิญมาหลายหลคนคุณเคยอ่านหนังสือไหคุณจ็ดชายสีม่มีเกี่ยวไหแม่แคือบากเขิงคนสารคามจนที่หายอย่างนี้แม่รวยมึงีกพวกมึงไอแม่แืงงโง่ในวิศวะเขารยมึงอีกเขาจะยงทำได้ไง คุณไปเชิญเอบ้านไล่กาแฟมาเก่งมากจบสาัดแม่งพิชฌตัวเองขึ้นมาได้คุณเชิญคนงั้นมาโมจิเวตัวคุณมือบอยที่คุณแม่งอยู่กับคเเฉยเเยแล้วคุณแม่ก็เฉยเยเฉยเยตามพวกแม่งอะไรยังในแ่ไหนะคุณเบเนเอร์ปนหือนคุณก็ต้องสร้างัวคุณเงให้คลึกคุณเชิญคนที่เขคบคุณมามันตอนอนผมอยู่เมืองไทยเก่งผถงหไปเมืองนอกแม่เกือบสี่เพราะอะไรไทยนี่ม่คึกจหมดเ หลังเมคนแม่ขยนันที่หมดเลยแล้เวเรยนมีคูไม่คุณทำอะไรวันๆ น, นีหาเลยครูเรีนหนสเด็ <c oughs> กๆไ่นูก็แรงเที่ยวเล่นไปทั้งวันใช่ไหมบริบทมันเปลี่ยนไงบริบทมันเปลี่ยนี่จริงผมตั้งเป้าไว้ว่าคูต้องได้แหม่มคูต้องได้แหม่มครูต้องใช้เป็นเมกันที่ะเนใช่ไหมครับการเรียนหนังสือคูทาให้คูได้แหม่มเข้าใจยังผมก็เลยพูดกับแหม่มแหลกลานเนี่ยเมาทูเมาสา์ภาากเปียนทันทีเลยนี่คือแรงจูงใจ ชใช่ป่ะแรงชูใจกูต้องหาวิแีแลงชงใจจีแมมเนะ้่อกหากะช่างแมนะ่ชีวิตที่ไม่เจอกันอีกจีคนต่อไปอกหากระช่างแม่ชีวิตไม่ต้องเจอกันฝรั่งแม่ไม่แคร์จงว่าุณก็เสกจีแม่จากอี ส, สวยๆม า, อ, มาอกามาหมดลองเจออีวันโอเคดีขึ้นหน่อยหนึ่ง <c> อ <oughs> ะไรอ่างเงยแ่มมดแล้วกูอะไรอ่างมึงก็ต้องสู้อะ่ะกูก็ต้องสู้อะ่ะแต่ทีกทานกภาษาจกลับมาท้านไม่ไดภาษาจีกลับมาคุ้มมาละตัวฝรั่งผมก็มีแตนแม่ นะอังกฤษแม่งเปลี่ยนและคุยกับแมมปับแสดงแม่งได้มา อ, อื้อยูเลยเพราะฉะนั้นกูก็เปลี่ยนแผนกับเมืองไทยช่างแม่งโอเคนะไลฟ์ฟังเฮ้ยหาผูโมอติเวเตอร์มาทำไมทหารเป็นกองทัพแม่งวิ่งกูเคยไม่เคยคิดแต่ทำไมทนทหารเป็นกองทัพแม่งวิ่งไปตายให้พวกคุณได้เะก็ทำมันยังไง นี่คืองานแรกที่คุณต้องคิดทำไมคนต้องกองทับตายพวกคุณได้จะลองดูหนาเรื่องครอยแล้วกันนะอคิคลิสนิสัยเป็นไงครับทำไมถึงน้องอคิคลิสแม่งตามอาคิคลิสได้หมดเลยและลบกันในใครอยู่หน่ า, าคลิสแม่งเรือใบแม่งขึ้นใบสีดําแม่งแซงชาวบ้านเขาไปก่อนแนละ้วแม่งขึ้นหาดกอดในเวร <c oughs> คุณแม่งลบชิบหายเลยนะ ถ้าพอได้รังวันให้ลูกน้องแม่งเต็มที่ใช่ไอยากจะฟาดนางพาารมชาลีในวิหารนครลง ล, ล่อได้หมดเลยกุ้คให้หมดเ่ยใช่ไหมแต่ระเบียบแม่งชัดเจนใค้ฝ่ามากมากบแม่งฆ่าทิ้งเลยใช่ไหมลบก็คือลบอนะไรเงี้ยนั่นคือลีดเดอร์ชิพลีดเดอร์ชิพเป็นศาสตร์ตัวต่อไปที่เราจะมาต่อจากไอ o อโยู่ในกลุ่มโอทิวแบนที่อาจารย์ว่าเเพียนะเ้ยนะลีดเดอร์ชิพเรยย่างลีดเดอร์ชิพ สุดยอดเรียนไม่ให้เชิญนักเรียนมา อ, อ่านนู่นลีดเดอร์ชิแม่งมันต้องสร้างต้องคิดต้องสร้างที่แข่งคอยอะไรอย่างเงี้ยเล่นไรกันอยู่ไอ้เพนบอลเล่ยนยังเองต้อ่มีลีดเดอร์ชิแล้วสุดยอดการสอนคี่ให้อาจารย์คุมเกมคุณต้องคุมวิธีการสอนผมเข้าใจไคุณต้องถามผมทั้งผมเข้าเป้าทื่คุณอยากจะรู้ใช่ป่ะนี่ผมไม่นำคุณอยู่เลยตอนนีน้คุณยังไม่คอนโทรลผมเลยไม่ได้เลยตอนนีน้ใช่ป่ะ ถ้าคนโทรผมไม่ได้คือเลนฮาวตุเลนไม่คุณเลนคุณต่อยวิทยาการวิทยากรจิ้งแผ่นใสตามแผนเขาแนละมึงเสร็จหลายคนชอบมาถามผมอาจารย์ขาจะมาสอนนี่โรงงานหนูมีแผนการสอนไม่หรอาไม่มีกูดูหน้าลูกน้อยมึงก่อนใช่ป่ะผมเป็นคนสมัยใหม่นะเว้ยแผนเปลียนไปตามที่ผู้คุณคนโทรผมถ้าไม่มีนะกูก็ถุยมึงไปเลื่อยให้ได้ยังลี่ด้ชิดหายเรียนได้ที่ไหน ดูเรียนสร้างแคมป์ไหแคมป์ค่ายผู้นำสิงคโปร์แม่งมีแคมป์ของมันโดยเฉพาะเลยต้ตอนเหนือเกอกสิงคโปร์ผู้บริหารแต่ละคนจะต้องไปเข้าแคมป์เข้าอย่างก่อเนื่องด้วยจนแก่กังต้องเข้าเลยอาจจะปีละสองครั้งหรือปีละครั้งดีเดอร์ชิดแคมป์โหดสุดหลายอย่างนะแต่สุดท้ายสุดเรื่องอะไรรู้ไหมใะการที่ผมพาพว้คุณไปป่าช้าใช่สุดที่ดีเดอร์ชิดรึเปใช่ไหม ผมเม็นลูกคนเล็กนะสั้นตานของลูกคนเล็กเป็นยังไงรู้ป่ะหนึ่งเราแต่ใจตัวเองแน่นอนสองเขาเรียกว่า easy way out ภาษาอังกฤษเรียก easy way out นั่นคือผมจะใช้ความกะล่อนส่วนตัวผมไม่ทำหาอะไรเลยรอกพี่ๆทำให้ต่อมาเนื่งจากพี่ผมพี่น้องผมทั้งสี่คนแม่ง leader ดดชี้เปิดพี่มีหินแม่งอยู่ เกษตรขอนแก่นแม่กับประมาณผู้นำแม่ทิศสาเมื่อวันพีู่14สิงหาเชียงใหม่แม่กับพี่อยู่เพชรชิงใหม่พี่ชายผมนะแม่กับประมาณผู้นำแม่ทิศษารวพี่กูแม่ลีเดอร์ทุกคนดันั้นคนน้องคนเล็กมีสิทธิ์ลีเดอร์ไหมเราอยู่บ้านพี่กูแม่เก่งทุกคนรวมแม่กูด้วยแม่ผมแม่คุมพ่อเลยกำมือเลยผู้หญิงราศีเมษาดุชิปหายแม่กูอ่ะเข้าใจป่ะแม่ลีเดอร์ชิปเป็นหมวดแล้วผมออกไม่ได้เลยแม่งติด ท้าผมมานั่งอ่านประวัติไออ่านราสีด้ว้ยตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งชุลาไป้ข้ามฝั่งไปเรีย น, นคณะครุศาสตร์โอ้โหโคตรสะใจเลยเรีย น, นครุศาสตร์อ๋อลูกคนเล็กสันดานเป็นอย่างนี้อย่างนี้นีเองผมเลยเปลี่ยนตัวเองใหม่พเพราะผมเลยไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งทีนี้ตอนนี้เรียนด็อกเตอร์ไอจบด็อกเตอร์เป็นอาจารย์อยู่รำแห่งนี่เนี่ยแล้วผมจะไม่สอนมาําแข่งเลยขาดที่อย่เจอมันคดีแน่เยอะอีเนี่อีนี่ล <c oughs> ีดเดอร์ชีพม่งก็สูงนะง มันก็เลยมาด่าผมมีวันหนึ่งทาให้ผมเคยผมไปจีบมันนะตกมานะมัด่าผมว่าวัวรพัฒเธอไม่มีความเป็นผู้นำกูก็เลยเปลี่ยใหม่ไปจีบอีกคนหนึง <c oughs> ่งตกมาอีกเหมือนเดิมแล้วผมพูดไม่เ ก, ก่งนิดนเมื่อก่อนท <c oughs> ี่แม่งย่งเี่ยวยิ่งี่พี่น่เรียกมาคุยดุ้ยพี่ก็นด้รับนะ <c oughs> พี่เรียกมาคุยวรพัเธอขาดความเป็นผู้นำกูโดนให้เสชอด กินสามเนี่ยมีคนนึ่งก็อย่างเจอไปสีห้าฉากกูแย่เช้งเลยบุกเข้าห้องหนังสือเลยกูนั่งค้นที่ไหนุณนับแม่งมาจากไหนคุณนับแม่งสร้างไงนั่งนั่งคิดที่ไหนพยายามค่อยๆฝึกผมเป็นคนขี้ขาผมจำได้งานแรกที่ผมทำเลยดูเหมือนยี่เง่านะแต่ก็ต้องทําก็คือหันไปดูหนังคนเดียวครั้งแรกในชีวิตคิดดูเลยผมไม่เคยเลยนะเว้ยคุณดูหนังคนเดียวเป็นไหมโอเค่งกวู่อีกเรยกกันป่วยจะตายแล้วนะ ข้างหนโคตรฟื้นไปดูหนังเองคนเดียวทำรมดดูหนังได้ทำไมนะมงโมงไม่เดือดเนอะโอเคกูก็ไม่เดือดไอเวนนุ้นอะไรจะเก่งวะเขาฝึกเขาฝึอ๋อเป็นแรกเปลี่ยน exchange ไปเอ็กเชไปแลกเปลี่ยนไปดูเทคนิคใหม่ๆรัฐบาลเขารัฐบาลเขาให้ให้งบไป่ใช่แต่ว่าถ้าคุณเข้าแคมป์แบบนี้นะก็คือค่อนข้างจฟรีหรือหักภาษีไปเลยเขาเป็นการเป็นการโปรโมตให้คนอยากเข้าไปมากกว่าเข้าไปนอนคืนวันศุกร์อเงี้ยคือคุณทํางานวันศุกร์ใช่ไมห้าโมงเย็นใช่ไหมหกโมงคุณก็เข้าแคมป์อาจจะเลิกเสาเที่ยงก็ได้อย่างเงี้ย คือเข้าไปเขาอาจจะใช้หนังลีดเดอร์ชิพแบบใหม่ๆหรือย่อตอำราใหม่ๆให้คุณอ่านหรือพาให้คุณไปมีระเบียบด้วยกันก็คือคุณไป น, นอนเที่ว่า Party. สลัมเบอร์ปาร์ตี้สลัมเบอร์ปาร์ตี้หมายความว่าเนี่ยห้องโถงขนาดนี้คืนนี้นอนด้วยกันในห้องนี้พวกเนา้อปคุณก็ได้คุยกันใช่ไหมแล้วมีกิจกรรมเือคืนเดี๋ยวคืนน้เขาทาแล้ว ก, แวก็แล้วเขาก็ให้ท็อปเเนเนี่ยเป็นเซอร์วิสแมเนเจอร์วว่า อาลูกน้องระดับล่างมาเป็นวันที่ท็อปจะกลายเป็นคนใช้อ่ะท็อปทำกับข้าวท็อปเสิร์ฟเนื้อเว้ยท็อปตักข้าวเว้ยเพราะในชีวิตจริงแล้วมึงกลับก็เป็นผู้บริหารเนี่ยมึงมึงมีคนมาเอาใจามึงรอบตัวใช่ไหมมึงไวแคมปนี่ั๊บมึงก็เป็นคนนํากับข้าวล้างจานมึงพลิกชีวิตมึง อ, อีกอีกเลยก็หนึงไปเป็นผู้ให้ก่อนไปหากเป็นผู้ให้ไม่ไม่ของแห่งชาติเลยก็คือให้คนเขา แชร์เลอร์นิ่งแชร์ e อ็กซ์เทเรียนมีหัวข้อเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องไปเลยคร <lives> ับมีมีมีมีมีมีเขาวิจัยกันวิเคราะห์ว่านะวินาทีนี้วิชานังต่อไปนี้จำเป็นสาหรับผู้บริหาร